นิทาเรื่องที่สิ่พระเจ้าตรีวิกมเสนทรงเสด็จกลับมาที่ต้นอโศกอีกครั้งแล้วคว้าอซ า, ากศพพาดบา่าเสด็จกลับมาทางเดิมอีกครั้งโดยปราศจากความหวาดกลัวต่อเสียงกรีดร้องโหยหวนของเวตาลทั้งสิน้นพระองค์เสด็จกลับมาอย่างเงียบเวียเวตาลจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะมาเสียเวลากับเจ้ายคีชั่วนั่น ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทาอยู่ไร้ประโยชน์ต่อตัวพระองค์โดยแท้แต่เอาเถอะข้าจะเล่านิทานสนุกสนุกถวายท่านเพื่อเป็นการแก้เหงาสักเรื่องจะดีกว่าณนครโสภาวดีมีกษัตริย์ครองเมืองนามว่าสุธ ร, รกะเป็นผู้ทรงความยุติธรรมอยู่มาวันหนึ่งได้มีพราหมณ์นามว่าวีรวรพาครอบครัวเดินทางมาจากแคว้นมาละวะ เพื่อขอเข้ารับราชการในราชสำนักซึ่งเขาได้เรียกค่าจ้างถึงวันละ500ร้อยเหรียญทีนาพระราชาทรงเห็นว่าพระวีรวรวรเป็นผู้มีลักษณะที่แข็งแรงดูหน้ากเกรงขามจึงได้รับเอาไว้ทํา ง, งานต่อมาพระองค์เกิดความสงสัยว่าพระวีรวรวรนําเงินห้าอเหรียญทีนาะที่ได้ไปทําสิ่งใดจึงสั่งการให้สายลับไปสืบความจนทราบมาว่าหลังการเข้าเฝ้าตอนเช้าแล้ว ในตอนกลางวันพราหมณ์วิรวรก็จะไปยืนถือดาบเฝ้าประตูวังตกเย็นก็จะนำเงินที่ได้มาใช้ใจ่ายดังนี้ 1. ให้ค่าอาหารการกินแก่ภรรยา100อยเหรียญทีนา 2. ค่าเสื้อผ้ามากครู100ยเหรียญทีนา 3. เงินอีก100ทีนาไว้บูชาพระสิวะส่วนเงินที่เหลือ200อยเหรียญทีนานำไปบริจาคแก่พราหมยากจนทั้งหลายเมื่อรับประทานอาหารเย็นแล้ว ก็จะกลับมายืนเฝ้าประตูวังตามเดิมทั้งกลางวันและกลางคืนวิรวรณก็ทำหน้าที่ของตนได้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าพระราชาจะตะโกนถามผู้เฝ้าประตูยามในเวลาใดก็พบว่าวิรวรรยังเฝ้าอยู่ที่ประตูทุกครั้งไปครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงตะโกนถามวิรวรณเช่นเคยอีกแต่ทันใด น, นั้นก็เกิดฝนตกหนักพระราชาสูธรกะทรงได้ยิน เสียงผู้หญิงร้องไห้โหยขวนมาแต่ไกลจึงอยากรู้ว่าเป็นใครพระองค์ทรงรับสั่งให้พระมีรวรออกไปดูแต่ด้วยความเป็นห่วงพราหมณ์ผู้ซื่อสัตย์พระองค์จึงถือดาบ ว, วิ่งตามไปห่างๆ ห, หลังจากที่ได้ตามเสียงร้องไห้นั้กล่าวมาถึงบึงน้ำใกล้เขตวังพระมิรวรก็พบกับหญิงสาวนางหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ท่านช่วยข้าด้วยเถอะ ข้าคือพระแม่ธรณีข้ามีเรื่องทุกข์ใจยิ่งนะักอะไรคือความทุกข์ของพระแม่เราในอีกสามวันพระราชาสูธ ร, รกกจะต้องสิ้นพระชนฮะจริงเหรอเนี่ยแล้วมีหนทางใดจะช่วยเหลือองราชาได้บ้างล่ะพระแม่มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นคือนำลูกชายของเจ้ามาสังวยต่อพระแม่จันที ตกลงข้ายินยอมที่จะทำตามคำกล่าวของพระแม่พระมีระวรได้กลับไปบ้านโดยมีพระราชาสุธ ร, รกะสะกดรอยตามไปเมื่อมาถึงเขาได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรยาบุตรชายและบุตรสาวของเขาฟังฝ่ายภรยาเมื่อได้รับทราบเรื่องแล้วก็ไม่ขัดข้องอันใดเพราะต้องทำเพื่อพระเจ้าแผ่นดินที่ตนอาศัยบุญบา ร, รมีอยู่และเมื่อพราหมณได้ถามความสมัครใจกับลูกชาย ก็ได้รับความยินยอมอย่างเต็มใจจากสัตววัวผู้เป็นลูกชายพระราชาซึ่งแอบตามวีรวรมาแอบได้ยินทุกอย่างโดยตลอดทรงตื่นตันพระไทยเป็นยิ่งนักจึงทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าโถเจ้าและครอบครัวช่างเสียสละจริงๆจากนั้นวีรวร์จึงนำบุตรชายของเขามายังแท่นบูชาณนะเทวาลัยของพระแม่จันทีเมื่อมาถึง บุตรชายของเขากล่าวอย่างกล้าหาญว่าขอให้การสังเวยครั้งนี้ส่งผลให้พระราชาสูทรกะทรงเจริญพระชนชีพนับร้อยปีด้วยเถิดสิ้นเสียงบุตรชายพระรามวรีรบลก็ฟันดาบที่คอของบุตรชายจนขาดกระเด็นพร้นกับกล่าวว่าตนได้สังเวยบุตรชายแล้วขอให้พระราชารอดพ้นจากความตายทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นสาธุ วิระวอนช่างเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ยิ่ง ก, การสังเวยด้วยลูกชายของเจ้าครั้งนี้จะทําให้พระราชาสุธรกะมีพระชนยืนยัอนอาณาจักรของพระองค์จะรุ่งโรจน์ไปชั่วการนานด้านวิรวดีผู้เป็นน้องสาวเมื่อเห็นพี่ชายเสียชีวิตก็รําไห้จนหัวใจ ว, า ย, วายตายตามไปอีกคนพระวีรวอจึงทําการเผาศพลูกทั้งสอง ในขณนะที่ไฟกำลังโชนชุ่มทันใดนั้นนางธรรมวดีผู้เป็นแม่ก็ตัดสินใจกระโดดเข้ากองไฟต า, ตายตามลูกทั้งสองไปพระมิระวรนเมื่อเห็นว่าภรรยาและลูกทั้งสองต้องจบชีวิตลงก็ไม่คิดมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเขาได้ลงมือฟันคอตัวเองจนขาดตายตามไปอีกคนพระราชาสุทรกะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ทรงประหลาดใจยิ่งนัก ที่เห็นวีระวร์และครอบครัวเสียสละชีวิตรประกอบพิธีเพื่อช่วยเหลือตอนพระองค์จึงชักดาบเตรียมจะเชอดคอตอนเองพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าขอให้วีระวร์และครอบครัวจงคืนชีพมาด้วยเถิดทันใดนั้นก็มีเสียงลอยแวกอากาศดังออกมาว่าหยุดก่อนท่านราชาข้าพอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพรามวีรวรและครอบครัว จงคืนชีพบัตรเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองครอบครัวพามวีรวรรก็กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งทั้งสี่คนต่างงุนงงที่ตนเองยังไม่ตายพระราชาเห็นดังนั้นก็ทรงดีใจมากรีบหาที่ซ่อนไม่ให้ใครเห็นเมื่อกลับมาถึงพระราชวังพระองค์ก็ทรงขึ้นไปยังมณฑีนและตะโกนลงมาว่าใครอยู่ที่ประตูนั่นข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะ ที่พระองค์ให้ไปสืบที่มาของหญิงสาวผู้นั้นข้าพระองค์ตามไปแล้วแต่นางหายตัวไปต่อหน้าต่อตานางไม่ใช่คนธรรมดาพระเจ้าค่ะพระราชาทรงแปลกใจมากที่วีรวรรไม่ได้อโ อ, อัดตัวเองถึงความกล้าหาญที่ทําเลยครั้นวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ได้เรียกพราหมวีรวรรณมาเข้าเฝ้าและประกาศเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ทุกคนทราบพร้อมกับมอบแคว้นละตะั และแควนกันนาตาให้ปกครองหลังจากนั้นเป็นต้นมานครโซภาวดีและแควนทั้งสองก็เจริญสุขเรื่อยมาอ้อราชาเรื่องที่ข้าเล่ามาเนี่ยท่านเห็นว่าใครเป็นผู้กล้ามากที่สุดหากท่านไม่ตอบท่านรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตรีวิกรมเสนรู้ว่าเวตาลต้องการให้พระองค์หลงกล แต่ด้วยกลัวคํำสาปจึงทรงใคร่กลัวและกล่าวว่าผู้ที่กล้าหานที่สุดคือพระราชาสุทรกะอะไรกันคนที่กล้าหานที่สุดไม่ใช่พระมิรวรและครอบครัวหรอกหรือวิราวอและครอบครัวของเขานั้น น, นมีหน้าที่ต้องเสียสละเพื่อปกป้องพระราชาอยู่แล้วแต่พระราชานั้นกล้าหานที่สุดที่สละชีวิตเพื่อคนรับใช้ของพระองค์เองทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จําเป็นเลย สนุกจริงๆได้แกล้งคนเนี่ยเมื่อพระเจ้าตรีวิกรมเสนตรัสดังนั้นเวตาลก็หาับกลับไปที่ต้นอโศกอังเดิมพระเจ้าตรีวิกรมเสนจึงต้องเสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าย่อมไม่กลัวที่จะเสียสละเพื่อความถูกต้อง